ถามว่าการอยู่ในที่สงัดกับอยู่ในหมูนั้นต่างกันอย่างไรเอตุไฉพระศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้ยินดีในที่สงัดตอบว่าต่างกันคือความไม่ละคนด้วยหมู่ไม่เกี่ยวกับหมู่เป็นกายวิเวกชื่อว่าการอยู่ในที่สงัดส่วนที่ตรงกันข้ามชื่อว่าอยู่ในหมู กายวิเวกความสงบกายอยู่ในที่สงัดเป็นอุปการะแก่จิตตาวิเวกความสงบจิตใจและเป็นไปเพื่ออุปธิวิเวกความสงบสงัดจากกิเลสเพราะเหตุนี้พระศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้ยินดีในที่สงัดถามว่า อะไรเป็นเหตุไม่ให้ยินดีในที่สงัดตอบว่าความหมกมุ่นกำหนัดยินดีติดอยู่ในกามทั้งหลายเป็นเหตุเพราะการอยู่ที่ที่สงัดปราศจากอารมณ์เกลียวกล่าวเซยงแซ่เช่นนั้นย่อมไม่มีประชุมชนหรือการมารมณ์ที่ดีๆซึ่งจะยั่วยวนใจให้กำหนัดยินดีจึงมีความเปลี่ยวเปล่าเหงาหงอยและหวาดกลัวต่อภัยอันตรายเพราะฉะนั้น จึงไม่ยินดีในที่สงัดผู้ถามกล่าวว่าผู้ที่ไม่ยินดีในที่สงัดนั้นยังไม่เห็นภัยในโลกและยังไม่ได้ความอุ่นใจในธรรมะตอบว่าถูกแล้วเพราะยังไม่เห็นภัยในโลกและไม่มีความอุ่นใจในธรรมคือธรรมะเคยมีแต่ความอุ่นใจในกามเพราะเหตุ น, นี้ การห่างกามจึงไม่สบายเหมือนปลาที่เขานำขึ้นมาไว้บนบกฉะนั้นถามว่าจิตตาวิเวกมาถึงฌานชั้นไหนตอบว่าตั้งแต่อุปจารสามาธิตลอดกระทั่งรูปฌานสี่อรูปฌานสี่เหล่านี้เป็นจิตตาวิเวก